ท่านได้ไปถึงพระนิพพานไปสู่ปรมังสุขขังไปสู่บรมบร ม, มสุขเพราะท่านมันเติมน้ํามันทั้งห้าประการนี้อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอจนทําให้จิตใจของท่านนั้นสามารถเดินทางไปถึงพระนิพพานได้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 ก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็จะทําให้เกิดวิรยิยะความอุตสาหะความภาคภีณเพราะทำที่ได้ยินได้ฟังนั้นทําให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับนั้นเป็นสิ่งที่อยู่แค่เอื้อมมือของเรานี้เอง อยู่ที่เราเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมาหรือเอามาเป็นของเราได้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเราก็อาจจะคิดไปว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะรับสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาบกทั้งหลายรับได้ นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบที่ทำให้เราไม่มีอุตสาหะวิริยะที่จะเพียนพยายามปฏิบัติเพื่อให้ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหาันตัสาวกทั้งหลายได้รับกันแต่พอเราได้ยินได้ฟังได้เปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าพระอาลหันตัสสาวก ก่อนที่ท่านจะได้บรรลุ ธ, ธรรมท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่มีกิเลสตัณหามีโมหะอาวิชชามีความเกียดคร้านมีความลังเลยสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่หลังจากที่ท่านได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติจากผู้รู้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 ปับดันตัวเองด้วยเหตุผลอันเด่นๆบางครั้งในตอนเริ่มแรกก็อาจจะมีเหตุบังคับเช่นเป็นธรรมเนีมที่จะต้องบวชทั้งๆ ท, ท, ที่ก็ใจก็ไม่อยากจะบวชแต่ด้วยความจําใจจําเป็นบวชเพราะเป็นความปรารถนาของบิดามารดาท่านก็ยอมบวช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 เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้ที่จะทำให้ท่านสละราชสมบัติแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถปิดกัน้นเจ้าชายสิทธัตถะได้พระองค์ก็ส่งเล็ดลอดออกไปจากพระราชวังแล้วก็ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย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 กำหนดทำเนียมประเพณีของลูกที่จะต้องบวชทดแทนบุญคุณให้แก่ บ, บิดามารดาในครอบครัวก็ไม่มีผู้ใดยอมบวชแล้วพ่อแม่ก็หวังพึ่งองหลวงตาท่านก็เลยยอมยอมบวชทั้งๆ ท, ท, ที่จิตใจไม่เคยคิดที่อยากจะบวชเลย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 เรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องมรสี 4, ผลสีนิพานหนึ่งก็ทำให้ท่านเกิดวิริยะคือความอุตสาหะความภาคเพียรขึ้นมาตอนต้นกาจะบวชแล้วก็เสกแต่พอได้ศึกษาได้รู้ได้ฟังได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของพระอาหารหันต์เรื่องของ มรซีผลสีนิพานหนึ่งก็ทำให้ท่านเกิดศรัทธาอย่างแรงก็าที่จะศึกษาต่อไปที่จะปฏิบัติที่จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้บุคคลเกิดศรัทธาขึ้นมาพอมีศรัทธาแล้วก็จะเกิดวิริยะ ความหุูสาหะท่าเคลียนความเกียดค้านไม่ทราบหายไปไหนหมดพอเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดศรัทธาความเชื่อว่าตนเองก็มีสิทธิที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ทีนี้มีกำลังวังชามีเวลามเวลามีอะไรที่ทุ่มเทได้ก็จะทุ่มเทให้กับการศึกษาและกับการปฏิบัติ เบื้องต้นต้องศึกษาก่อนเพื่อที่จะได้รู้แนวทางของการปฏิบัติว่าจะต้องปฏิบัติอะไรจะต้องเจริญอะไรสร้างอะไรขึ้นมาก็จะรู้ว่าต้องสร้างศีล ข, ขึ้นมาเป็นนักบวชก็มีศีลอยู่227ข้อก็รู้ว่าต้องรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ด่างพร้อย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 ถ้าใครมาบวชแล้วไม่รู้คำว่าศีลสมาธิปัญญาไม่รู้คำว่าใราสิกขาก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดมาบวชนั่นเองหรือพวกทัพพีในหม้ อ, อกแกงบวชแล้วก็ศึกบวชตามประเพณีเช่นพอออกพรรษารัรบกถิ่นปับ๊บเช้ามือก็ลาศิกขากันเลยนี่แสดงว่า ศรัทธาไม่เกิดวิทยาอุสาหะไม่เกิดเลยบวนมาตั้งสามเดือนด้วยกันมีการศึกษามีการเรียนมีการได้ยินได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องแต่จิตใจเหมือนกับความลงไปเหมือนกับแก้วน้ำแทนที่จะหงายแก้วรองรับน้ำที่เทใส่ไปในแก้วก็กับความแก้วเอาไว้ เทน้ำเข้าไปกี่ขวดกี่แกลลอนก็ไม่มีน้ำติดค้างอยู่ในแก้วแม้แต่หยดเดียวพอได้โอกาสที่จะได้ลาศิกขาก็รีบลาศิกขากันเลยเมื่อวานนี้รับกระถินเช้ามืดก็แต่งชุดขาวกันเต็มไปหมดลาศิกขาแล้วจิตใจไม่เอาแล้ว ไปสิกขาศีลสมาธิปัญญาไม่เอาแล้วอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะแล้วอยากจะไปหาสีกาแล้วนี่คือลักษณะของผู้ที่ไม่มีศรัทธาทั้งทั้งที่ได้สัมผัสรับรู้ได้อยู่ใกล้ชิดพระศาสนาอยู่ถึงเวลาสามเดือนด้วยกันแทนที่จะมีอะไร ติดค้างอยู่ในใจที่จะเดึงให้อยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก็ยังดีก็ไม่มีนี่คือบทแบบทัพทีในหม้ อ, อกแกงหวดแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าแกงที่ตนเองอยู่นั้นเป็นแกงอะไรดังนั้นถ้าเราฟังเทศฟังธรรมกันมาอยู่กันก็เกือบสิบปีแล้ว ถ้ายังไม่เกิดศรัท ธ, ธาที่จะเติมน้ำมันให้มากขึ้นยังเติมอยู่เท่าเดิมอยู่ก็น่าเป็นห่วงกลัวจะต้องไปเค็นรถข้างหน้าสู้ยอมสละความสุขเล็กๆน้อยๆเอาเงินที่ซื้อความสุขต่างๆนี้มาเติมน้ำมันจะดีกว่า เช่นจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อความสุขด้วยการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรืออะไรก็ตามในรูปแบบของกามฉันทะก็เอาเงินนี้ไปบริจาคไปทำทานจะดีกว่าจะทำที่ไหนกับใครก็ได้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 คือจะรู้สึกว่าการรักษาสีนนี้มันไม่ยากเย็นเลยไม่เหมือนกับตอนที่ต้องการใช้เงินมากๆต้องการหาเงินมากๆหาเงินเร็วๆนี่บางทีก็รู้สึกว่าถ้ารักษาศีแล้วมันจะเป็นอุปสรรคก็ยินดีเรือขอยกเว้นการรักษาสินไว้ชั่วคราวก่อนเพราะต้องการที่จะได้เงินได้ทอง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 ได้ความเย็ยนใจและได้ลดกำลังอำนาจของการมชันทะการมตัญหาให้อ่อนลงไปทำให้เราไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปซื้อความสุขต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ่นกายเราก็จะได้รักษาสีนได้ พอเราลักษาศีลได้เราก็จะเพิ่มศีลขึ้นไปได้ตามลาดับจากศีลห้าเราก็เพิ่มลักไปเป็นศีล8ปลักษาศีล8เราก็จะเข้าสู่การภาวนาได้เข้าสู่การเจริญสติสมาธิและปัญญาตามลาดับได้นี่คือการเจริญการเติมน้ำมันขั้นชนิดต่างๆ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 หาความสุขผ่านทางตาหูจมูกเิ้นกายโดยเฉพาะความสุขทางด้านอาบายามุกต่างๆเช่นการดื่มสุราการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันการครบคนไม่ดีเป็นวิษความเกลียดชางพฤติกรรมเหล่า น, นี้แหละเป็นพิษเป็นภายเป็นอันตรายต่อจิตใจ ก็จะฉุดรากให้จิตใจไปกระทำบาปตามลาดับต่อไปเ mm hmm. มื่อใจอทำบาปแล้วแทนที่จะมีความร่มเย็นเป็นสุข mm hmm. ก็จะมีความรุ่มร้อน mm hmm. มีความทุกข์มีความกลัวมีความหวาดระแวงอะไรต่างๆ mm hmm. แล้วแล้วแทนที่จะหยุดก็หยุดไม่ได้เพราะเป็นเหมือนกับ การเสพยาเสพติดเมื่อเสพแล้วเวลาจะหยุดนี้มันทรมานมากก็เลยยอมทุกข์กับการเสพต่อไปทุกข์กับการไปทำบาปตายไปก็เลยต้องไปติดอยู่ในอบายแทนที่จะไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง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 หรือได้ยินได้ฟังก็แบบที่เราเห็นกันเวลาพระตั้งน้โมก็คุยกันลวมือก็พนมไปปากก็คุยกันไปอย่างนี้ฟังไปกี่ร้อยปีกี่ร้อยชาติก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรฟังแล้วไม่เกิดศรัทธาที่อยากจะทำทานที่อยากจะรักษาศีลที่อยากจะเจริญสติ เจริญสมาธิเจริญปัญญาการได้มาเกิดเป็นมนุษยไ์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเรียกว่าเสียชาติเกิดเหมือนกับขับรถไปที่สถานีบริการแนละ้วแทนที่จะเติมน้ำมันก็ไม่เติมไปจอดทิ้งรถไว้เฉยๆแล้วก็ไปทำธุระอะไรต่างๆ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 เมื่อไม่มีศรัทธาก็จะไม่มีเวรยะไม่มีเวรยะที่จะทําบุญทําทานที่จะรักษาสี่งที่จะเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาดังนั้นพวกเราควรจะพิจารณาตัวเราว่าเวลาเราไปถึงปั๊มน้ํามันเราเติมน้ํามันกันหรือเปล่าหรือเติมน้ําเข้าไปในถังน้ํามัน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 ถึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิถึงจะกำจัดความสงสัยความลังเลในความสามารถของตนได้บางท่านก็อ้างว่าเป็นหญิงบ้างบางท่านก็อ้างว่ามีครอบครัวบ้างบางท่านก็อ้างว่ามีภาร ะ, ะมีอะไรต่างๆแต่พอเราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของกูบาลานท่านก็มีเหมือนกับเรา แล้วทำไมท่านถึงออกบวชได้ทำไมท่านถึงไปปฏิบัติได้ท่านก็มีเหมือนเรามีครอบครัวมีสามีมีภรรยาเหมือนเรามีภาระเหมือนเราแต่ทาไมท่านไปได้ก็เพราะว่าท่านฟังธรรมแล้วท่านเข้าใจท่านเห็นเทวทูตสีท่านเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตาย ที่กําลังรอพวกเรากันอยู่เวลาที่เราเจอความแก่ความเจ็บความตายเราจะไปอ้างกับเขาได้ไหมว่าแก่ยังยังแก่ไม่ได้เพราะฉันมีภรรยยังมีสามียังมีภรรยายังมีลูกที่ต้องเลี้ยงมีพ่อแม่จะต้องเลี้ยงมีกิจกรรมมีกิจการมีบรรษัตอะไรต้องคอยดูแลรักษาไปขอร้องไปต่อรองกับความแก่ความเจ็บความตาย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 หรือเติมก็เติมได้ยากเติมได้น้อยนอกจากเป็นผู้ที่มีบุญมีคุณมีวาสนาอย่างพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพ่อของพระพุทธเจ้าพอตอนที่พระ อ, องค์ประชวรหนักใกล้จะสวรรคตก็พระพุทธเจ้าก็ไปโปรดแสดงธรรมให้ฟัง ฝังจนกระทั่งสามารถทาใจสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในใจได้ทำให้ใจสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดใหม่ได้ อันนี้เป็นกรณีพิเศษอย่าถือว่าเป็นกรณีทั่วไปจะทำให้เราประมาทเราอาจจะคิดว่าไว้รอใกล้าตายแล้วค่อยมาทำจิตสุดท้ายให้เป็นจิตว่างเป็นจิตนิพพานก็ได้เพราะเห็นมีคนอื่นทำได้แล้วเช่นพ่อของพระเจ้าก็บรรลุได้เจ็ดวันก่อนตายเราทำไมจะต้องมาเสียเวลาเรายังมีเวลาอีกหลายสิบปี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 นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะคิดกันเมื่อเราคิดแล้วเราก็จะได้ขวนขวายรีบเร่งเพราะเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ทันแก่ก็ได้ไม่ทันเจ็บก็ได้อาจจะถูกความตายแซงคิวไปก่อนก็ได้เดินไปหัวใจวายล้มไปตายทันทีทันใดก็ได้หรือเ ล, อ ล, ลาาื่นล้มลงศีรษะพลาดลืนตายไปก็มี หรือเดินไปถูกงู ก, กัดตายก็มีถูกกระททงกัดตายก็มีอกระทิงขวิดตายก็มีอันนี้ความตายมันเป็นไปได้ในทุกรูปแบบพระเจ้าถึงสงสอนให้พวกเราจเจริญมานานสติกันอยู่เนืองๆ เ, เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพื่อที่พวกเราจะได้รีบเร่งขวนขวายสร้าง ธรรมะคือเติมน้ํามันให้กับจิตใจสร้างศรัทธาสร้างวิริยะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นก้าวไปสู่ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้อยู่ห่างไกลจากความแก่ความเจ็บความตาย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 จุดหมายปลายทางเท่านั้นแต่ไม่หลงทางแล้วเพราะมีแผนที่มีอริยาศสัร์สี่เป็นผู้ที่จะบอกทางให้ทุกครั้งที่ทุกข์ายเกิดความทุกข์ก็จะรู้ว่ายังมีตัณหาความอยากเหว่ยก็จะพิจารณาว่าเป็นตัณหาแบบไหนชนิดใดแล้วก็หาทมชนิดใดปัญญาชนิดใด มาลบล้างมาทำลายตันหาชนิดนั้นเช่นพระโสดาบันยังติดอยู่กับกามสุขยังมีกามารมณ์ยังมีความรักใคร่ยังชอบมีการเสกการมร่วมกับผู้อื่นอยู่เวลาอยากจะเสกการมถ้าได้เสกก็มีความสุขเวลาที่ไม่ได้เสกก็ทุกข์เช่นเวลาต้องอยู่คนเดียว คู่ครองไม่ได้อยู่ด้วยคู่ครองตายไปหรือไปอยู่ที่อื่นก็จะเกิดความเหงาความว้าเหวขึ้นมาก็จะเห็นโทษของการมีการอารมณ์ก็จะหาวิธีดับการอารมณ์นี้ก็ต้องพิจารณาไปที่ร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นอย่างไรกันแนะ่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดการอารมณ์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 ก า, ารมาลมที่เกิดขึ้นก็จะดับไปความรู้สึกว้าเวยเศร้าส้อยหงอยเหงาก็จะหายไปก็ะจะทำให้อยู่ตามลำพังได้นี่คือลักษณะของผู้ที่มีอริยสัจสีอยู่ภายในใจคือเวลามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจจะไม่ไปแก้ที่ข้างนอกเช่นเวลาเหงาไม่แฟนไม่อยู่ก็ไปหาแฟนใหม่ อย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะเดี๋ยวแฟนใหม่ไม่อยู่จะทำไงก็ต้องหาแฟนใหม่ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดหาไม่ได้จะทำอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีอริยสัจสี่อยู่ภายในใจแล้วเวลาเกิดความไม่สบายใจทุกข์ใจจะไม่ไปแก้ข้างนอกจะแก้ข้างใน พอรู้ว่าผู้ที่สร้างความไม่สบายใจที่แท้จริงก็คือความอยากทั้งสามนี่เองคือการมติหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแลผู้ที่จะมากําจัดตันหาทั้งสามได้ไม่ได้ก็คือปัญญาคือผู้ที่เห็นใจรักเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าไปอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาเป็นของเรา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 ว่าวาเวเเศร้าสร้อยเศร้าสร้อยงอยเหงาแต่อย่างใดนี่คือลักษณะของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจิตใจนี้จะพุ่งไปสู่พระนิพพานือเป็นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วกระแสก็คือพระอริยสัจสีนี่เองผู้ที่เห็นอริยาาสัจสีภายในใจนี่แตกต่างกับพวกเราที่เรา เห็นแต่เราเห็นจากการได้ยินได้ฟังเราไม่ได้เห็นจากประสบะการณ์เราได้ยินได้ฟังจนหุบหูฉีกแล้วว่าอริยสัจสี่มีอะไรบ้างมีทุกข์สมุทัยนี่รุ่ดมากแต่เวลาอริยสัจสปรากฏขึ้นมาในใจกลับมองไม่เห็นเวลาไม่สบายใจกลับมองไม่เห็นว่าตัวเองไม่สบายใจพอไม่สบายใจก็ไปแล้วโทรหาเพื่อนแล้ว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 พอมันจะตายก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจตามมาทั้งนั้นเองนี่คือผู้ที่มีอริยสัจ ส, สี่มีธรรมอยู่ภายในใจผู้นี้แหละที่จะไปถึงพระนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้นำทางอีกต่อไปสมมติชาตินี้เกิดอุบัติเหตุตายไปก่อนยังไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงต่อไปได้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ปั๊บก็จะ ปฏิบัติต่อไปทันทีเพราะเวลาเกิดความทุกข์ก็จะใช้ปัญญาพิจารณาหาไตาลักษ์ดูไตลักษ์ดูตัณหาทันทีแล้วมันก็จะแก้ไปได้เป็นขั้นขั้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายขั้นสูงสุดนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพุ่งเป้าไปให้ได้ถ้าไม่ได้เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่ได้เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีไม่เจ็ดปีก็ขอเจ็ดชาติก็ยังดีว่า Yeah. มันต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไจะอยู่ที่ศรัทธาความเชื่ออยู่ที่วิริยะความภาคเพียรอยู่ที่สติอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาที่จะเกิดถ้าเราเข้าหาธรรมอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราอยากจะไปดูละครดูภาพภะโยนตร์ก็บอกไปดูไปดูหนังสือธรรมดีกว่าไปฟังเทศฟังธรรมดีกว่าไปนั่งสมาธิดีกว่า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 ยังเป็นเพียงชื่อของธรรมทัานั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราอ่านเกี่ยวกับสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นความจริงในใจของเราเหมือนที่โบราณนะว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเราต้องไปถึงสถานที่นั้นถ้าเราถึงจะเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไรแต่เราอยากจะเห็นอริยสัจสี่เราต้องเข้าข้างใน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 ปาเดียสงอยู่ข้างในอยู่ในใจตรานี้เราจึงต้องดึงใจเข้ามาข้างในด้วยการเจริญสตินี่เองดิการเจริญสตินี้ก็เพื่อดึงใจให้เข้าข้างในไม่ให้ออกไปทางตาหูจมูกนิ้วกายพรออกไปแล้วมันก็หลงออกไปแล้วก็ทุกข์อย่างที่หลวงปู่ดูลท่านพูดไว้ว่าจิตออกนอกเป็นสมุ ท, ทยัยจิตเข้าในเป็นมรรคนี่แหละเราต้องการให้จิตเข้าข้างในกัน เราถึงต้องหลับหูหลับตากันบริกรรมพุโทโธกันเพื่อดึงจิตให้เข้าข้างในความเข้าข้างในแล้วเดี๋ยวมันก็จะเห็นอริยาาสัจสีมันแสดงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือแม้แม้กระทั่งเวลาหลับมันก็แสดงอยู่แต่เราไม่เห็นกันเราไม่รู้กันเพราะเราไม่มองเข้าไปที่มันเกิดขึ้นเองเราไปมองที่อื่นแทนไปมองคนอื่นเห็นคนที่เราล้าแก่ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ขึ้นมาก็ไปทุกข์กับเขาพยายามที่จะไปหาหมอหาอยารักษาเขาวุ่นไปท่าเป็นท่าตายใจก็วุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าความวุ่นวายของใจอยู่ข้างในเกิดจากความอยากของตนเองอยากที่จะรักษาแฟนอยากจะรักษาคนที่รักให้หายจากโรคไข้ไข้เจ็บไม่ยอมมองความจริงว่ารักษาได้หรือรักษาไม่ได้ นี่แลคือเรื่องของการมาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดวิรยิยะอุตสาห์ที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาจเจริญสติสมาธิปัญญาตามลําดับถ้าเจริญสติได้จิตก็จะเข้าข้างในเข้าข้างในจิตก็จะสงบจิตสงบก็จะมีความสุข จะเห็นว่าไม่มีความสุขกันใดในโลกนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ก็จะปล่อยความสุขภายนอกได้แล้วก็จะพยายามรักษาใจให้อยู่ข้างในต่อไปอยู่ไปตลอดทุกครั้งที่มีตันหาความอยากที่จะออกไปข้างนอกก็ใช้ปัญญามาสกัดมากรมาทำลายข้าศึกศัตรตูที่จะคอยหลอกลอ่อให้ใจออกหลงออกไปหา สิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจพอปัญญาเฉียบแล้วรู้ทันกลของกิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหาก็จะไม่สามารถที่จะมาชุดรากจิตใจให้ออกไปสู่ลูกเสียงกิเลสผลสาพาได้ต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร่ังนั้นขอให้ท่าน ลงพยายหมัน่นเติ ม, มน้ํามันอยู่เรื่อยๆหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วฟังด้วยจิตใจที่จดจ่อเอาจริงเอาจริงศึกษาฟังให้เกิดความเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องฟังซ้ำแล้วซ้ําอีกฟังบ่อยๆเพราะการฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจเหมือนเวลาเราบอกใครบางทีบอกครั้งเดียวเขาไม่เข้าใจต้องบอกหลาย <c oughs> ๆครั้งเราถามเขาย้ำอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยัง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 ต่อไปก็จะให้ญาติโยมได้เข้ามาจหวา่าข้าวของมาหยิบหนังสือซีดีกันขอตัวนาเข้าทางหนึ่งแล้วออกทางหนึ่งเพื่อความสะดวกรวดเร็วเข้าทางบนแล้วลงทางด้านหน้านี้กายไม่ใช่ของเราแล้วจิต อะไรฮะแล้วไปก่อนเราทุกชาติเราออกจากเ้าเราออกจากเ้าล้วไปหาจิตไปเราออกจากเ้าเขาเป็นคนสร้างเราขึ้นมาสร้างด้วยพลังแล้วถ้าเราหมดทุกชาตินี้แล้วข้ามต่อไปไมก็สิตแค่ยังอยู่ก็เือกจิตก็ย네ังอยู่จะทำให้จิตขุดค้นทาให้จิต้หน่อย จะได้ไไปทข้าเดจิตก็เป็นจิตเหมือนเดิมจจะไม่หลงเ่านั้นช่วยเจ็บะค่อยเต้นไปตามดงีมันจะเหมือนเปิดเต้นตลอดเลยเจ้าค่ะ ตามันไม่อยูต้องดึงมันจะฟูก um ็พยายามดึงกลับมากลับมาใช้แใช้รอย่างนี้มันก็จะตึกตึกตลอดู้กันู้กันที so ่นใได้ครัีบ้นะครับสามสที่บ้านนะครับ แม่ยังเก็บตัวเยอะป่ะเก็บตัวเยอะป่ะเก็บตัวเยอะป่ะกลับเก็บตัวเยอ่แม่รักษาบายกับกุ่มได้แมาแต่คุณแม่ก็ดีขึ้นมาแม่ไม่สบายเราก็ต้องรักษาใจเราอย่าเียค่ะอย่ไปรักษาแต่คุณแม่อย่างเดียวในลําดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญ ถามได้แต่ขอให้ถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้ที่ฟังจะได้ยินทั้งคําถามและคําตอบถ้าไม่มีใครถามอเมยยกมือเป็นคุณหมออะไรส่งไปคุณหมอเองส่งไปเปิดไม้ได้ครับเปิดไม้ได้พูดใกล้ๆหน่อยนะครับท่านทูางครับออยากทราบว่ากระถินนะครับที่เราทอดในสมัปัจจุบันนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยกรถินเนี่ยมหมายถึงแค่ผ้าขาวอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือทุกวันเนี้เนี่ยที่ผมเห็นทํากันก็คือเออมันจะมันจะถ้าเป็นวัดในเมืองเนี่ยก็จะเป็นผ้าสาเร็จรูปซึ่งทํามาแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นที่ตัวปัจจัยอย่างเงี้ยครับคือผมเลยไม่แน่ใจว่าไออย่างเงี้มันเป็นกระถินตามที่ได้ม่ได้ดว่ในสมัยก่อนไหมครับคือในสมัยก่อนนั้นขาดแทนผ้าผ้าไม่มีผ้าไว้สําหรับ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 ทีนี้ปริมาณผ้ามาบวชนี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นผ้าที่จะหามาทํามันก็ไม่พอเพียงพระพระก็เลยมีผ้าบางเพียงทีเพียงผืนเดียวพอเวลาเปียกก็ต้องห่มทั้งเปียกเปล่พระพุทธเจ้าก็เลยส่งส่งบอกให้ญาติโยมถวายผ้าโดยมีกําหนด เ, เงื่อนไขต่างๆเช่นถวายได้เพียงเดือนเดียวเพื่อไม่ต้องการให้ มาวุ่นวายกับเรื่องการถวายผ้าหาผ้ากันทั้งปีแล้วก็ผู้ที่จะรับได้ต้องอยู่จำพรรษาต่อระยะเวลาสาเดือนแล้ววัดหนึ่งก็รับได้เพียงครั้งเดียวแล้วผ้าที่ได้รับมาก็ต้องตัดเย็บให้เสร็จภายในวันนั้นเป็นการให้ทำภารกิจให้เสร็จรุ่งไปด้วยความสามารถสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทา นี่คือเรื่องของการถวายผ้ากฐถินก็คือถวายผ้าสมัยนั้นจะไม่มีเรื่องปัจจัยเงินทองเข้ามาเพราะว่าไม่มีวัดไม่มีถาวรวัตถุแต่ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นผ้าพเพื่นนี้ก็มีมากขึ้นหาง่ายมากขึ้นมีการถวายผ้าตลอดทั้งปีบางทีปปหนึ่งนี้ได้เป็นร้อยกันไอร้อยไตยก็มีก็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 แล้วก็ครั้งหนึ่งจะมีการร่วมกันทาบุญใหญ่กันสักครั้งหนึ่งก็คือในช่วงกระถินนี้ดังนั้นจะว่ากรถินเปลี่ยนไปไหมก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าก็ยังมีการถวายผ้าผ้ากระถินอยู่มีผ้าแล้วก็มีการนำเอาไปตัดเย็บซักยอ้อมให้เป็นผ้าผืนใด้ผืนหนึ่งในในใจจีวร น, นี้แล้วก็ทาเหมือนกับในสมัยพระพุทธการทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีการถวาย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 มีแต่หน้าที่หาธรรมดังนั้นญาติโยมก็เลยถือโอกาสในที่ในปีหนึ่งที่มาถวายผ้ากระถินนี้เป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันมาสร้างถาวรวัตถุหรือมาปฏิสังขรณ์ถาวรถาวรวัตถุต่างๆก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่าถ้าเป็นวัดที่ไม่มีถาวรวัตถุท่านก็ ไม่มีความจำเป็นกับเรื่องเงินทองถ้าท่านได้รับมาท่านก็จะเอาไปทําประโยชน์สงฆ์เคาะโลกต่อไปเ่นที่วัดป่าบ้านต่านนี่ท่านไม่มีทาวเวอรวัตถุ อ, อะไรเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาหลวงตาท่านก็จะเอาไปสงเคราะห์โลกทางโรงพยาบาลต้องการรถต้องการเค ร, เครื่องมืออะไรต่างๆต้องการอาคารสร้างอาคารใหม่อะไรก็ขอ งบประมาณทางราชการไม่ได้ก็เลยต้องมาขอทางวัดทางวัดท่านก็ยินดีเพราะว่าเงินทองเห่านี้ไม่มีประโยชน์กับทางวัดเก็บไว้ก็จะเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของพระเนนได้เพราะพระเนนที่ยังมีกิเลสตัณหาก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากที่จะมีส่วนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเอาไปใช้จ่ายกับเรื่องราวต่างๆ แลนั้นหลวตาท่านก็เลยไม่แค้ไม่เก็บเงินไว้ในวันมีเท่าไหร่ท่านก็เอาเออกไปสงเคราะห์โลกเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองในเวลาตายไปจึงไม่มีสงครขามแย่งสมบัติฉันพาใจังโอเคใครจะถามอีกไหมไม่มีก้อาทางอินเทอร์เน็ตต่อ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 กาเราเรียนปนริญญาเอกเอาไปทําอะไรถ้าเราต้องบวชแล้วต้องมีป ร, ริญญาเอกเราก็ต้องเรียนให้จบป ร, ริญญาเอกก่อน <c oughs> ก็ไปบวชถ้าไปบวชเขาไม่ต้องการป ร, ริญญาเอกเราก็ไม่ต้องเรียนให้จบก็ได้แต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นการจะทําให้เรานี่เอเสียนิสัยได้หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะมีส่วนได้เพราะว่าเราทําอะไรแล้วเราไม่ทําให้มันสําเร็จร่ปร่วงไป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 แล้วก็ทําให้มันสําเร็จรุ่งไปแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเวลามันมีน้อยเวลาไม่แน่นอนนะป็นัญญาเอกที่เราเรียนอยู่นี้เราก็ไม่ได้หวังที่จะเอาไปทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับเราได้มาก็เท่านั้นได้มาก็เหมือนกับไม่ได้มาอย่างนี้ก็ไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ขอให้เรามีความแน่วแน่ต่อการกระทำํำ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 แต่ความปวดนั้นชัดอยู่ตรงหน้าหลังเอและงอจนเมื่อยจึงต้องขยับใหม่ให้ตั้งตรงอยู่เรื่อยๆกลับขอบความเมตตาพระอาจารย์ค่ะคือร่างกายความจริงถ้าเราตั้งไว้อยู่ตรงไหนแล้วส่วนใหญ่มันก็จะอยู่อย่างนั้นถ้านอกจากว่าถ้ามันเองจะกระทั่งล้มไปก็ตั้งใหม่ได้แต่ถ้ามันยังนั่งอยู่คงมันได้มันจะอยู่ในลักษณะไหน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 ก็จะภาวนาไปไม่ถึงไหนไปถึงถ้าล้มทุกทีพอร่างกายล้มก็ลุกขึ้นมาตั้งท่าใหม่แล้วก็เริ่มภาวนาใหม่มันก็จะล้มลุกคลุกคขานอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นขอให้เราทำความเข้าใจว่าเวลาเราตั้งท่านั่งของเราดีอยู่แล้วแล้วเรานั่งไปเราจะมีความรู้สึกว่ามันเองมันเองมันงออะไรก็อย่าไปสนใจมัน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 แต่เวลาเรานั่งไปเขิดจะอาจจะมีความรู้สึกว่าเองไปซ้ายขวาหรือข้างหน้าข้างหลังก็อย่าไปสนใจเพราะถ้าเราสนใจแล้วมาปรับเดี๋ยวมันก็ปรับไปปรับมาเดี๋ยวคิดว่าเองไปทางซ้ายก็ปรับมาทางซ้ายเอาคิดว่ามากไปกลับมาทางขวามันก็จะมัวแต่ปรับอยู่ที่ร่างกายแทนที่จะพุทธโธดูลมหายใจมันก็เลยไม่ได้ทามันก็เลยนั่งไปแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรนะ เวลาเริ่มต้นนั่งทำความเข้าใจว่าร่างกายนี้ดีอยู่แล้วเราตั้งดีอยู่แล้วตัวตรงไม่เกิ็งไม่อะไรสบายแล้วถ้ามันจะงอบ้างเอ็นบ้างก็เป็นเรื่องของมันถ้ามันจะล้มลงไปใข้มันล้มลงไปแล้วล้มลงไปแสดงว่าสติแล้วหมดหลับคำถามข้อต่อไปจากคุณนิชาพานะครับกาบเรียนถาม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 สุกเย็นอย่างนี้คือคําว่าเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดปีนี่หมายความว่าความสามารถของผู้ปฏิบัติที่จะบรรลุภายในระยะเวลานั้นๆบางคนก็มีความสามารถที่บรบรลุได้ภายในเจ็ดวันบางคนก็ต้องเจ็ดเดือนบางคนก็ต้องเจ็ดปีบางคนก็ต้องเจดาาชาติอันนี้อยู่ที่น้ํามันที่เติมไว้ว่ามีพอหรือไม่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 ขงพระโสดาบันนี่ก็ต้องตัดสารเส้นแรกคือสักายทิฏฐิความเห็นว่าตัวร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเ <c oughs> วทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ความหลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงค์ว่ามีจริงหรือไม่และาาศีลปัตตปรมา m a คือความความความปฏิบัตินอกคำสอนของพ่อพุทธเจ้า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 เห็นธรรมก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่เห็นเห็นอย่างนี้นั่นเองก็ไม่ไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีแล้วไม่มีพระธรรมมีแล้วไม่มีพระสงฆ์มีแล้วไม่มีอันนี้ก็จะตัดสังโยชน์เป็นสามข้อแรกได้ส่วนอีกสองเส้นที่ยังตัดไม่ได้ก็คือการมาราคะความยินดีในกามรมารมณ์แล้วก็ปฏิกะความโกรธเก็ เวลาสองอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นด้วยกันเวลาเกิดกามอารมณ์แล้วไม่ได้เสกกามอารมณ์มันก็จะหมุดหงิดมันหุดหงิดมันเลยต้องไปเสกพอมันเสกแล้วมันก็หายแต่มันหายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องอยากไปเสกกามอารมณ์เพราะการอารมณ์เป็นตันหาความอยากความอยากนี้ต้องทําลายมันกามอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไปเห็นของสวยของงามในร่างกาย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 ละได้เป็นบางส่วนแต่ยังไม่ละได้เต็มที่ทําให้การมาราคาเบาบางลงไปแต่ไม่หมดไม่ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าไม่สามารถเห็นได้ตลอดเวลาบางเวลาก็เห็นบางเวลาก็ไม่เห็นความไม่สวยงามเวลาที่เห็นก็ไม่มีการอารมณ์เวลาที่ไม่เห็นไปเห็นส่วนที่สวยเข้าก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาต้องขึ้นไปขัน้นพระคือขั้นพระอนาคามีนี้จะเห็นตลอดเวลา เห็นร่างกายปั๊บนี่จะเห็นท <les> <th ust> ั้งส่วนที่สวที่สวยและส่วนที่ไม่สวยพร้อมๆกันไปพอเห็นอย่างนี้แล้วการมลลมก็จะดับไปปฏิฆะความหงุดหงิดใจก็จะหายไปก็จะตัดสังโยชตอีกสองเส้นได้รวมเป็นทั้งหมดก็ห้าเส้นนี่แลสังโยช์เบื้องต่ำผู้ที่ตัดได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตต่อไปเพราะไม่มีความยินดีกับร่างกายแล้ว ที่มีร่างกายเพราะต้องการใช้ร่างกายนี้ไปเสกการมารมนี่เองเมื่อไม่มีการมารมก็เลยไม่รู้จะเอาร่างกายไปทำอะไรก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จิตของพระอนาคามีถ้ายังไม่บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมมีอยู่ห้าชั้นด้วยกันชั้นสุดท้าว่า <c oughs> แล้วก็จะปฏิบัติจเจริญปัญญาต่อเพื่อตัดสังโยชน์อีกห้าเส้นคือ อรูปราคะความยินดีในชาในรูปฌานอรู ป, ปราคะความยินดีในอรู ป, ปราแล้วก็อะไรมานะความถือตัวอวิชชาความไม่รู้พระอริยสัจยังไม่เห็นอริยสัจสิ่ที่มีซ่อนอยู่ภายในจิตที่สงบนั้นและ อ, อ, อุทธะจะความฟุ้งซ่านที่ยังมีอยู่ในจิต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 มันสว่างสวัยทั้จิตอวิชานี่มันตัวสว่างสวัยมันแบบว่าไม่เคยเห็นความสว่างสวัยอะไรมาก่อนไอตัวนี้ท่านก็เลยไปแบกมันอยู่ถึงสามเดือนแล้วในที่สุดท่านก็มารู้ทันว่าอ๋อตัวนี้เองที่เป็นตัวพบตัวชาติที่ว่าตรงไหนมีจุดมีต่มตรงนั้นจะมีพบมีชาติอยู่ก็ไอ้ตัวนี้ตัวที่จะทำให้ไปเกิดต่อได้อยู่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 เพราเรารู้แล้วอย่างเหลือแค่้าตัวหลบอยู่แถวเนี้ยมันอยู่แถวไหนก็ไม่รู้ค้นหามานให้เจ อ, อคำถามข้อต่อไปจากคุณอาจารย์วิชายานะครับพระอาจารย์เคยสอนว่าละกิเลสโดยการไม่อยากแต่เมื่อมีความเคารพศรัทธาพ่อแม่ครูอาจารย์ก็จะอยากไปกราบไปทำบุญถวายสังฆทานดังนั้น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 ก็ดวงตาท่านหรือแม่ท่าเน้นรับกินนิมนต์ไงความจริงรับกิ่นนิมนต์มันก็เป็นการไปตรวจญาติโยมให้ญาติโยมได้ทำบุญแต่ในขนาดเดียวกันก็ไปทำลายสมาธิของพระผู้ปฏิบัติพอเวลาออกไปแล้วไปเห็นรูปเสียงกลิก่นลดใจก็ฟุ้งขึ้นมากลับมาวัดไอสิ่งที่เห็นอยู่มันยังค้างอยู่ในใจ กว่าจะลบมันออกไปหมดได้แก่บางทีสองสามวันถ้าลบไม่ไหวดีไม่ดีก็อยากจะกลับไปหามันอีกเนีไงทําให้เหตุทํำทําเหตุให้เสร็จได้ลาสิกขาได้ท่านถึงระมัดระวังเรื่องพระท่านถึงไม่ยอมให้ออกไปข้างนอกแม้แต่ไปทําวัดในช่วงเข้าพรรษาไปกราบคูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ไม่เคยพาไปหลวงตาท่านจะไปองเดียวสมัยนี้มีสมัยที่มีพระผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟ้าน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 แล้วก็เตือนใจสอนใจว่าคิดแบบนี้ไม่ดีเป็นการคิดทำลายตนเองนีคำถามข้อต่อไปจากคุณแอลนะครับตอนเด็กๆประมาณแปดเก้าขวบเกิดสภาวะรมขึ้นสองครั้งคือกลางคืนนอนไม่หลับก็นอนกิ้งจนดึกก็คิดถึงเรื่องความตายจากนั้นใจมันเกิดวางกายใจเบาสบาย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 เหมือนประตูคุกเปิดแล้วแต่ออกมาไม่ได้มันมีโซ่ล่ามขาไว้อีกทีหนึ่งโซ่นั้นคือมันห่วงพ่อกับแม่มองด้วยตาเปล่าเห็นสาราข้างทางมันใหม่ๆอยู่ดีๆจากนั้นมันค่อยๆเก่าและพังลงไปตอนนี้อายุสามิสองแต่ก็ไม่เคยลืมคำถามสภาวะพระนิพพานจิตจะลอยสูงกว่าที่หนูเคยทำได้ จนพ้นแรงดึงดูดของโลกใช่หรือไม่ก็คล้ายๆอย่างนั้นนะคือมันก็สงบอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันจะสงบอย่างถาวรมันไม่ต้องขึ้นๆลงๆสมาธิมันยังเข้าๆออกๆอยู่เวลาอยู่ในสมาธิก็เหมือนเข้าไปในพนันธุพานชั่วขา้าวแต่ต้องออกมาเพราะว่ายัางมีร่างกายพอออกมาเรามารับรู้เรื่องราวต่างๆความสงบนั้นก็จะหายไป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 ถ้าไม่ได้ใช้คำพูดนั้นแต่มันก็เป็นอันนั้นแหละคือตอนนี้ผานี่ท่านทนเราก็ไม่ได้ศึกษาทางพักคมพีเท่าไหร่ mm hmm. แต่ท่านไม่ค่อยจะอยากจะทีอยากจะพูดมากเพราะว่าพูดไปคนฟังก็จะอาจจะเอาไปจินตนาการอะไรต่างๆแล้วอาจจะหลงผิดได้ท่านเลยบอกว่าให้ปฏิบัติ ด, ดีกว่า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 แต่ก็เป็นบัญชีเดียวกับที่ใช้อยู่ไม่แยกบัญชีจึงทวงถามว่าทำไมไม่เปิดบัญชีแยกตอบว่าได้แอดวานซ์เงินตนออกไปก่อนแล้วมาบอกบุญให้ร่วมกันทาถามต่อว่ารู้ไหมว่ามีเงินบุญโอนเข้ามาเท่าไหร่ตอบว่าไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นแบบนี้ผลกรรมจะเป็นอย่างไรคะตนก็ไม่ได้ร่วมทาเพราะไม่ศรัทธา เราถึงบอกเราไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องเรานี่ไงเพราะมันมันเป็นแา บ, บสองคมมั น, มนถึงบอกไม่ได้อะไรไม่เปิดบัญชงบัญชีถ้าเกิดว่ารับทางโอนเงินปัจจุบันนี้เป็นล้านแล้วครับอาจารย์คำถาม่าไปไม่มีอะไร คำถามข้อต่อไปค่อนข้างยาวนะครับครั้งหน้าขอสั้นอยู่นี้หน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ยาวมากเลยค <c> ำ <oughs> ถามข้อต่อไปจากคุณยานนานะครับ <c oughs> กระผมติดการงานทางโลกเลยไม่มีโอกาสมากราบเรียนธรรมจากกับพระอาจารย์ในช่วงนี้ในแต่ละวันก่อนไปทํางานจะฟังเทปธรรมะของพระอาจารย์สุชาติและหลวงตามหาบัวและนั่งสมาธติตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่ต้องนำธรรมมาฟัดกับกิเลสอย่างหนัก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 มีอยู่วันหนึ่งได้พังทำผิดศีลไปในเวลานอนได้เกิดฝันร้ายว่าจะมีอันตรายกับตัวได้หนีอันตรายจนไปพบหลวงปู่แหวนสุจินโนนั่งขับสมาธิอยู่ในกระท่อมเลยดีใจมากก้มลงกราบหลวงปูท่ททบตักหลวงปู่รูปผัวและบอกว่าไม่เป็นไรผมได้ลุกขึ้นเห็นพระอีกรูปคือหลวงปู่ศีลท่านยิ้มให้อย่างมีเมตตาผมเลยตื่นขึ้นมา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 ที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องเพียงใดและที่ฝันแบบนั้นเป็นผลของการปฏิบัติความเพียรใช่หรือไม่ลักษณะแบบนี้ใช่หรือไม่ที่หลวงตาว่าผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจะมีครูอาจารย์หรือเทพพรมคอยดูแลปกป้องอยู่เสมอเพราะปกติเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วจะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยะเจ้า ผมเทวดาบุปการีเจ้ากรรมในเวนเทวดาประจําตัวอยู่ทุกครั้งเพราะกระผมพึ่งอยู่ในขั้นอนุบาลอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับทุกวันนี้กระผมพิจารณาว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงมีความสุดโสมอยู่ตลอดและกําลังเร่งทําความเพียรปฏกิเลสศึกษาธรรมจากพระอาจารย์สุขชาตินํามาปฏิบัติ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 อ่ะพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังมาไปพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอเขาไปอยู่มาสี่พรรษาแลเนีก็จิตดีที่สุดเลยแล้วก็เราคิดว่าสิ้นทางนี้รู้จักวิธีทำให้ใจสงบได้ พยายามทาไปเรื่อยๆพนะิจารณาออกจากกาสบบรสำรวจใช้ปัญญาพิจารณาใรักพนะิจารณาความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอยาก่างพิจารณาการพลดพลาดจากกันพิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นของเรามีใจดวงเดียวเท่านั้นที่เป็นของเราที่เราควรดูแลรักษาส่วนของทั้งหมดอยากไปดูแลรักษามันเปวนความสามารถ รักษาไปถ้าที่จะรักษาได้จิตมันบอกแล้วค่ะจิตมันขึ้นมาบอกว่าอาการนี้ไม่เป็นไรของเราใช่ถ้าไปรักษามันจะทําให้จิตใจวุ่นถ้ามันเกินความสา ม, มารถใช่แล้วก็บอกว่าเวลาเหลือน้อยแล<ช>้<ช>่มไม่ต้องไปกังวลเราไม่ตายไม่มีวันตายเองที่ตายไม่ใช่เรา อ่านค่ะหนังสือเล่มที่สองธรรมะ for the asking ได้รูปได้แก้บาลีอะไรอแบบนี้คืออ่านแล้วมันไม่ผ่านแล้วก็มีภาษาอะไรนิดหน่อยที่ แล้วก็แก้เมื่อวานนี้คุณจิงก็ส่งปกมาให้ดูปอแก้แล้นะคะก็เพราะว่ามีผิดด้วยอัน่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เป็นความผิดากนยนะคะมัผิดหมดเแต่ว่ามันจมีอะไรเล็กน้อยเนช่วยแก้ไก็อย่างนี้เพราะว่าไม่อยากไม่ดิเล่มากนะคะ้อยใต้ันคงจะมีอีกรอบใช่ไหะก็เลยแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูรละเอียดนะเพราะต้ดันให้อีกเจ็ดเดนก็ไม่กล้า เราได้เห็นหลายคนที่อยากแก้ได้แก้ไปแก้เฟลดิแก้อะไรนิดหน่อยเวอะไรน่อยมันไม่เอร์เฟมันไม่รเป็นตแล้วมันมันเยอะด้วยค่ะเข้าใจแล้วหลายๆคนรวมกันเนี่ยมันก็สไตล์จะแตกต่างสมผากนทำสามวิคีแต่เขให้เอาปกให้อาจารย์ยู่แพจาปกไปแล้วก็ถ้าหลังปกก็จะมีข้อมมแลมีอยู่ข้อหน่งรู้ว่ามันอ่านแล้วมันแตกต่าแก้ ลูกจะได้ต้องไปแก้ข้างไหนเทคซ้างไหนด้วยหไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะจริงเขาเป็นคนคัดมาลองถามจริงะม่อเช้านี้ตื่นเข้าไปแล้วบอกว่าแก้ให้ก็ได้เพราะเขารู้เขาไปกระหน่มาเมื่อเช้านี้เขากงมาอ๋อเหรอคะทับเขาจะทำปกไมเวกันสาหับหนังสือของเา ก็โอเคคอจะบอกเขาจะคิดเพิ่มขึ้นมาเขาจะมอีกสามร้อยเล่มสำหรับเขาจะจัดทกชว้าทางสามประเก็ดีมีหลายเวอร์ชันดีแต่รูปนะถ้าจะงามรูปขอกลูกชอบแต่ว่ามันมืดไปหน่อยแต่ว่าแต่ว่าโพสต์ดีคือมันถึงดูแบบน R ยวอีกแต่ ถ้ะอาจารย์คะถ้าเราไม่แน่ใจเราไปไปถูกทางหรือเปล่าคะถ้าจําจําใจให้ตสงบแบบถูกทางถ้าตัดกิเลสตัดปัญหาได้ก็ถูกทางมีแค่นทางของเราคือตัดกิเลสโลกน้อยนองอยากให้น้อยลงถูกทาง กี่นั่งเก็สุดท้ายก็ฟังเทศอาจารย์บ่อยอะค่ะก็เหมือนว่าสุดท้ายเราก็ต้องมุ่งสู่การใช่ไ้มคะแต่ณจุดนี้ยังกระเด็มันยังคยดุ่มอะรใชย่มยังไม่มีกลังอะไรก็ตัดลไปเรถยความอยากหนอยลงวาโลงหน้อยเเหมือนต้องมีเซื้อเสื้อผาให้นอยซื้อรองเท้าให้น้อยลงโอ๊ยโดนก็เป็นอะไรทั้งนั้นเลยก็ร